ค, คือที่เคยกตัวอย่างมาแล้วนี่ถ้าอนัญตระพิคุคําว่าอนั ญ, ญตระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่านไม่ระบุชื่อแต่ท่านให้ชื่ออนัญตระพิคุวิสีละคําว่าอนั ญ, ญตระพิคญญพุกรรมานเปงนภิกษุรูปใดรูปรูปรูกใดรูปหนึ่งไม่ไม่ไม่ระบุชื่อจริงๆอั ญ, ญาตระกําลังพิจารณาธรรมะขั้นสูตรนั่นแหละพูดง่ายๆขั้นละเอียดสุดนั่นเองเรื่องสังขารกับอวิชามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ในนั้น ท่านตามกำลังพิจารณาสงสัยแล้วก็จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระกตะกดีพอดีฝนก็หน่ำลงขึ้นไม่ได้เ <c oughs> ลยยืนอยู่นั่นเอียนี่ฝนตกลงมาหยดย้อนลงมาจากแค้าก็มากระทบน้ำที่อยู่พื้นนี่ตั้งขึ้นเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปแล้วก็เทียบก็หนัก ตรงมากระทบปั๊บสร้างขึ้ น, นเป็นกล่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปกระเพื่อมแล้วดับไปปรับปรับไปแะ้วเทียบเรื่องจิตที่มันกระเพื่อมตัวของมันแล้วดับไปกระเทียวแล้ดับไปหาเจ้าของไม่ได้นี่ก็หาเจ้าของไม่ได้นั่นท่านเทียบธรรมะขันนี้นะเป็ น, นธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่างนี้รรนท่านญญาท่าก็พิจารณาอันนี้กับนันเทียบกัน ป, ป, ป, ปั๊บปั๊บปัถึงเรื่องสังขารอวิชาปัญญาสังขาลานี่แหละเอาตรงตรงนี้แ่ะ ของมันสัมผัสตัมพันธ์กันขึ้นนาไปขึ้นนามเข้าใจเสียบรรลุธรรมในขณะนั้นจะพอฝนตกอยู่แล้วกับอุติเลยไม่ขึ้นทุนถามนักแน่ไหมนันทั้งสิธิธรรมะเป็นของแน่อยู่แล้วใครรู้ทําไมจะไม่แน่แม้แต่จะไปทูนถามพระเจ้าอยู่แล้วแท้แท้พอไปถึงขั้นที่แน่แล้วก็ไม่ทุนถามกลับไปเลยนั่นหมู่ว้านนน ถามว่าทำไมไม่จะไปทุนถามเพื่อนอะไรไมก็ถามอะไรความจริงอันเดียวกันนั่นแน่จะไปถามทํำไมเนี่ยเนยจะถามเพื่อนเขาจะรับสารอย่างนั้นแล้วนี่ก็รู้อยู่แล้วถามทําไมเนี่ยแต่คนไม่รู้ถึงกว่ามันงัดดูดิจะอะไรจะแน่ยิ่งกว่าทํารับใจว่า มีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องสัมผัสไม่มีเครื่องรับทราบจิตใจไม่สามารถที่จะรับทราบทำถ้าบอกว่าทำมีอยู่ทำมีอยู่ก็ฟังกันอย่างนั้นแหละแบบหูหนวกตาบอดได้ยินก็มันก็ไม่เข้าถึงใจเพราะใจมันถูกปิดถูกบังอยู่หมดด้วยของมืดของดําทั้งหลายมันจะ อ, อะไรมาเป็นแสงสว่างรับธรรมได้พอแก้ไขประการประการปค่อย เบิกตัวออกเบิกตัวออกธรรมก็ค่อยแทรกเข้าได้แทรกเขอยได้เฮ้ยธรรมมีมากมีน้อยยังไงธรรมเป็นยังไงแล้วจะสงสัยได้ยังไงเมื่อใจเป็นผู้รับธรรมอยู่เต็มดวงแล้วนั้นจะได้ลบล้างได้ยังไงนะธรรมไม่มีลบล้างได้ยังไงถ้าถ้าว่าธรรมไม่มีเอาลบล้างอันนี้ได้ไหมเอ็รู้อยู่นี้เป็นอยู่นี่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างนี้เต็มอยู่ในหัวใจนี่ลบล้างได้ไหม เมื่อลบล้างนี้ไม่ได้แล้วทําไมจะมายอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าไม่รับความจริงว่าธรรมมีอยู่ยังไงมีอยู่แบบนี้เนี่ยแบบที่รู้อยู่เห็นอยู่นี้น่ะไม่มีอยู่แบบอื่นไม่มีอยู่แบบสมมติมีอยู่แบบนี้ว่างั้นเลยเพราะธรรมชาตินี้เลยสมมุติไปแล้วเนี่ยจะพูดแบบสมมุติไม่ได้แค่นี้พอธรรมมีอยู่มีอยู่แบบโลกก็พูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่แบบโลกนี่ธรรมแท้ไม่ใช่แบบโลกศูนย์ศูนจะศูนย์แบบโลกไม่ได้นั่น ไม่ได้อยู่ในความสุ่นแบบโลกไม่ได้มีอยู่ในความมีอยู่แบบธรรมอมีมีอยู่แบบโลกแต่มีอยู่แบบธรรมนะรู้ประจักษ์กับใจหาแยกออกจะไปพูดให้แบบโลกมันเป็นโลกไปเสียแต่ถึงยังไงก็ตามท่านก็นยังทํากุยหมาป้าทางเอาไว้เพราะโลกมีเป็นปโหมดต้องอาศัยนี้ไปก่อนพอไปถึงนั้นแล้วก็รู้กันเองเหมือนอย่างที่เราไปปิด ใช่ไว้หน้าวัดเลยวัดป่าบันตราดห่างกันใครมาก็มาอ่านอ๋อวัดป่าบันตาดเนี่ยออพอมาเข้าถึงวัดจริงๆแล้วก็อย่างพราเนนเราอยู่ในวัดนี่จำเป็นอะไรจะต้องไปอ่านป้ายของวัดเนะก็รู้หมดแล้ววัดนี้เป็นยังไงวัดนั่นวัดนั่นนั้นเขียนป้ายแล้วคนที่ยังไม่รู้ได้รู้คนที่รู้แล้วจําเป็นอะไรจะต้องไปอ่านป้ายเดี๋ยวก็เหมือนกันนิพพานเป็นต้นอนี้ กัป้ายนั่นเนี่ยเสียงเชื่อนิพพานนิพพานํารมะนิพพานรรนิพานนพานเป็นสมมตินาเป็นชื่อธรรมชาติที่แท้จริงคื อ, อยังไงเมื่อเข้าไปถึงแล้วมันก็หายต้องใส่ป้ายที่ว่านิพพานนิพพานนั่นหายตงใสทันทีการฟังจริงเป็นของสำคัญเพิ่มกําลังใจก็รวยอยู่เลยทุกระยะระยะที่ฟัง ท่านแมนเทนเทยโอ้โเสียดายผมนะไม่มีเทปมาอย่างสมัยทุกวันนี้ถึงใจจรงจริงจนก็นัดทิศที่ใหญ่หูเป็นหูยงแม่อะผมนี่ไม่ยอมไม่คิดอยาจะฟังเทศใครเลยนอ ก, กนจากเทปแมนแนองเดียวท่านนั้นนัดเปนกายเป็นหูยงแม่ไปไม่รู้ตึกตัวเลยถึงไปท่านจะพูดอะไรออกมาก็ะ า, ามยิ่งท่านโดกด้วยแล้วโอ้โหมีแต่ทำล้ว น, นออกมา เผ็ดร้อนเท่าไหร่ทำยิ่งเต็มแม่เต็มหน่อยท่านเทพเห่างนันเผ็ดร้อนนิ่เท่าไหร่ทำมายิ่งมีเนืน้อออกมาเลยโอ้โหมันถึงใจถึงใจกเขาไม่รู้ภาษีภ า, าษาขขาท่านอาจารย์มั่นดุเขาอาจารย์มั่นดูอุเราที่เราไปอยู่นั่นแล้วรู้เรื่องนู่ละนั่น้โอยมันอบมันอุ่นมันอะไร ดูเท่าไรยิ่งมันเข้าไปเอทําไมมีงั้นนะซึ่งแต่ก่อนกลัวท่านเป็นตัวสั่นนานก็นานเข้าไปปิดกับธรรมค่อยสนิทกันเข้าสนิทเข้าเทาไหมันยิ่งดูดยิ่งดื่มท่านดูเท่าไรมยิ่งมันหวานเข้าไปเลยนะชอบคนนะแต่ความระวังท่านด้วยอํานาจแห่งความเคารพในธรรมนี่มันเป็นระวังไม่ระวังไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่กลัวแล้วครึ่งนะ เออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่กลัวนะไม่กลัวด้วยความอบอุ่นไม่ไม่กลัวด้วยความเชื่อสนิทคุณง่ายๆนะด้วยรถแห่งธรรมของท่านทาให้ดื่มดุเท่าไรมันยิ่งหวานยิ่งมันยิ่งซึ้งภายในหัวใจนั่นทีนั่นนะ่ะไม่กลัวว่าเหตุ น, นั้นเองนะอยากฟั ง, งนั้นเรื่ความฉลาดแหลมคม นอกภายในผมยังไม่เห็นไข่ในว่างไม่ได้ประมาทครูอาจารย์องใดนะมันไม่ได้มีใครเหมือนท่านอาจารย์มั่นตลาดแหลมผม พ, พลิกนะพลิกหลังร้อยสรรพันคมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาเนี่ยโหขอให้มีสติปัญญาตั้งรับเถอะมจะสนุกตักตวงเป็นกำลัง เทศแต่ละครั้งนี่อย่างน้อยสองชั่วโมงนั่ระยะท่านแก่มาแล้วนี่ประมาณสองชั่วโมงแต่กรณีพิเศษนี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงว่างนี่เพศยบจนมาข้าบูชายีสาขาบูชาพระมาเต็มบนหมดนท่านตั้งใจส่งเคราะห์พระนะฟาตนตั้งแต่เริ่มแล้วฟวังหกพุ่ม อออเท่บางที่ตั้งแต่สองทุ่มฟาดถึงหกทุ่มกี่ชั่วโมงไม่สี่ชั่วโมงได้ไงมันก็แปลกนะไอ้นั่งนี่มันไม่เคยพลิกตัวนะมันดืมไปหมดนั่นแหละคือความเพลินในใจมันมีแต่ความรู้กับทำสัมผัสทั้งยมีเท่านั้นร่างกายก็เหมือนไม่มีเลยแล้วมันจะเอาความเจ็บปวดมาจากไหนออืนั่งเหมือนหัวต่อจิดมันดือ้ออยู่ภายใน ท, านท่านแท็กครั้งสุดท้ายก่อน นั่นก็สี่ชั่วโมงกันถ้าเล่าให้ฟางอันนี้ผมไม่ได้อยู่นะในครั้งสุดท้ายท่านทงนั้นมาทา่าไม่ได้ใช่ก็แ บ, บกที่ขึ้นเต็นทก็ะจะดีหลวงสามชั่วโมงเทมพิสาข บ, บูชาผมก็ไปถึงใหม่ๆท่านมาถึงก่อนผมสักสองวันหสามวันผมก็ไปถึงท่านป่วยอยู่ที่ปลาเปิดถ้าเรามาทางนั้นรับนิมนต์นท่านเจ้าคุณนี่อุป च าญาณเนี่ยจ้าคุณต้องเป็นคดี ท่านออกมาเพราะนักกันแล้วเดือนนั่นนั่นให้มาระยะนั่นให้มาท่านก็นมาออกมาก็เนี่ท่านจะอุ่นนี้วะกับคุณนายพิพยรรยาของอะไรพระพลอะไรพลผายเป็นตะกรอนเมื่อคู่วงครับการตำรวจทุกวันนี้จะผู้กากับไปเป็นนิมนต์โยงนี่นะ้ อุทงโงกคนหนึ่งพ่อของอาจารย์กายเนี่ยอาจารกายมันไปนที่ท่นานอาจย์อุ่นได้รับท่านมาผมก่อนอย่นั้นเวลาท่านเทศโดยก่อนไม่มีรถนี่เทศอยู่วิหารใหญ่อืมทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเพราะว่าพระพระทะเลาะกันเขาแต่ตื่นเข้ามาดูาาะะามาเห็นแล้วท่านอาจารย์มั่นเทศอยู่บนตั่มมา ในคณะนั้นนะท่านเทศเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนุเงเอาอย่างถึงเหตุถึงผลแต่เราก็เพลินไปด้วยความเลื่อมใสเลื่อมใสท่านน ะ, จะใจรู้เรื่องรู้ลาในเรื่องท่านเทศเรื่องวิถีจิตวิถี อ, อะไรเนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเพลินด้วยความชั่วท่านความเลื่อมใสว่าเราเกิดมาไ ม, ม่เสียชาติเราได้พบท่านอาจาร์มั่นที่ล่ําลือมานานผูู้บาอาจารย์องค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่านมาแล้วมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่เป็นอื่นว่าท่านอาจารย์มั่นคือพระญบุคคล เราก็ยิ่งอยากจะทราบวิญญาบุคคลชั้นไหนมันก็หลายชั้นนี้นะวิญบุตรอัลละหันนันแหละว่างนี่เลยอัหันตะบุคคลนั่นแหละว่างนี่เลยมันก็ยิ่งซึ้งสิเพระเวลาไปถึงใหม่ๆท่านยินปฏิบาติทั้งสายไหนสายไหนก็สอบถามได้ความมาท่านออกไปนี่แล้วท่านบินปฏิบัติแล้วท่านกลับมานี่เราเป็นปฏิบัติแต่เช้าธรรมดาท่านไปสายแล้วท่านกลับมาสาย เอาไปปฏิแหตะเช่ากลับมาก็เสียมข่าแล้วคอยดูทางเรายังไม่เห็นเดี๋ยวพระบอกนุ่ น, นมาแล้วนุ่นกำลังเข้ากำแพงวัดมุ่งนี่น ป, ปุ๊บเข้าในห้องเลยเรามันมีช่องอย่างเี้ยไม่ลืมนะเข้าไปในห้องดูโอ้ยเหมือนไก่ป่านะคร่องแค่าาตานุ่งแหลมคมท่านเดินมา ดูดูดูอย่างด้วยความต้นใจดูด้วยความสงสัยนี่แม่มันสูงจริงไม่ลืมนะโอ้ยเราไม่เสียใจต็มที่เราเลยท่านจะเห็นเร า, างไงก็ไม่รู้นะเราเป็นบ้าดูแบบบ้าเราเลยหลังเป็นเทศพอเทศจบหนึงแล้วท่านลงจากสมาธิมาแล้วท่านจะคุณนิรตะกอนท่านเป็นเจ้าคุณอลาดกวีสมเด็จลาดปรสีมาถานอวันนี้ทนายจัน เอาใหญ่เลยนะวางนั้นน่ะพอลงมาวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่เลยนะวางมาเทศซ้าเท่าว่างอีกซ้ำความแก่ความเท่าทะต่อไปจะได้มาเทศอีกนั่นฟังที่ปัญหาท่านมีปัญหาตรงนั้นน่ะอเทศซ้ำเท่าแล้วต่อไปจะไจะไม่ได้มาเทศอีกท่านว่านี่นะแล้วท่านจะคืปนประเทศอีกเมื่อไห ร, ร่นะก็เป็นขั้งสุดท้ายพูด ง, งา่ายมาเทศขั้งสุดท้าย เี่คแทน้องผือนี่เหมือนกันนี่แล้วเาพูดกัท่านอย่างชัดเจนก่อนทีน่จะลาเ่าไปเที่ยวมาทางวัดดิฉภูมิเนี่ยเราอำเภอวัดดภูมิไปหางผือมึงโอ้ทางต้องพันกว่าเส้นท่านก็ถามจะไปทางไหนนะน่นว่าจะไปทางถ้ำทางบ้านนั่นนาะทุงเชือกทางถ้ำบ้านดู กินมาละทำ่ามไปทางนูน้นละทางบ้านตากภูงท่านเคยไปหมด แ, แล้วเราเลยเนี่ยออพอพูดถึงนี่ก็ไปสัมผัสเรื่องเสือแล้วนั่นอีองนะคือท่านกับท่านจานเสาไปอยู่ที่นชายภูเขาท่านนี่มันมั น, มนแัแคแบๆนี้นะน้ำไหลามานี่เขาว่าจะไป ท, ำ ท, ำทำํําทากั้นจนมาทานที่นู้นเขาแหละท่านก็อยู่ตีนเขาทางนั้นหรืองงายๆนั่งทอนนาย เหนื่อยหงายท่านจันสาท่านันทร์ท่านจันทร์มั่นท่านไปด้วยกันแต่องค์เหล่านั้นผมจำไม่ได้ผมจํา ไ, ได้สององค์เนี้ยกำลัง น, นั่งผ่อนมาอย่านี้เนี่ยอยู่ตีนเขาก็อาศัยบิสมาร์ดมันตัดูวงนั่นแหละห่างจากนั้นไปประมาณไกิโลกว่าจากตีนเขานั้นไปถึงมั่นตัดพวงอยู่กลางทุ่งม้านก็ประมาณตั้งแต่ก่อนคงจะไม่มากแต่ระยะผมไปประมาณตั้งห้าสิบหกสิบลังคาเรือนเท่านั้น จะบริเวณ ท, น, ทนานมีเยอะนะนาเขาดีึงไปอยู่ตีนเขานั่นตอนนาเพาะมาทักสามทุ่มถ้านั่งทำนาถ้านั่งตะวันพอเมื่อทั้งอไากทางกลมแล้วก็เขา น, นั่งพักสบายเวลานั่งภาวนานี่เสื อ, อ, อ ม, <c oughs> มันมามันแอบเข้ามาดูนะเนื้อเข้ามาดูถึงม้งนี่นะ นี่เดือนหงายี่มันก็มองเห็นเลยสิมันนั่งของนะมันมันมันเหยี่ยวไม้หักทับหนึ่งนะที่พี่สังเกตเหนว่าไม้เล็กอ่ะขนาดนั้นนะมันค่อยด้อมเข้ามาคอยด้อมเข้ามานี่สัญลักษมันค่อยด้อมเข้ามาเนี้ยความไม้หักทับเราทําทำเดืองไปดูเห็นกําลังมันเห็นเห็นกําลังดุดุมันมาเหมือนกับแมวนี่สัญลักษณ์เนี้ยมันคขมา ท่านก็นั่งดูอยู่ท่านวาน่วนางนั่งก็ดูนัง่งจะทำยังไงก็ดูท่านไม่บอกว่าท่านกลัวไม่กลัวนะเพราะปุมเข้ามาโจนกระทั่งถึงมงนะไอ้ทับมันทับย่านนั้นไม้เล็กๆมั น, ม, นมันเบาขนาดนั้นนะือว่าดูสิเวลามาแต่ไม้มันหกักผิดสังเกตมันทั บ, ท บ, ทบหนึ่งท่านท่านกาลังจะออกที่ละท่านว่า ถ้ท่านไปทำเลืเพราะมันอยู่ข้างๆทางด้านด้านเฉียงๆทางหน้านี่ไม่ใช่อยู่นี่ถ้าท่านมองไปนี่มันอาจจะเห็นได้ก็ได้แต่นี้ท่านไม่ได้มองไปงั้นท่านก็ลืมตาไปเฉยๆแล้วเห็นกําลังมันดุ่มดุ่มเข้ามาเข้ามามาถึงมุง้งมาถึงมุ้งจ่อมุง้งเสียงเสียงก็มไม่ด้ินมันนะเสียงมันสูตรดมอะไรก็ไม่ได้ยินเพราะนั่งก็ถอยออกไปถอยออกไปถอยลึกเลยุ๊ปไปเลย ขำดีเห็นวะ่นมันมันมาดมกลิ่นดูมันก็รู้ว่าคนใช่ไหมล่ะฮะนี่มันจะสงสัยเพราะมุ้งลงนี่อะไรไม่รู้ <c oughs> คนมองจะจังนอกมุง้งมองไปนอกมุ้งมันเดินหายมันก็เห็นแค่ตอนนี้ตาคนตาปัญญาตาสัตว์ไม่ใช่ตาปัญญาถ้าไม่กระดูกกระดิ่งไม่เห็นสัตว์ คนไม่กระดุกระดิกก็รู้มองเห็นเป็นกูรู้พอมองเห็นนี่ก็รู้ทันทีเพราะปัญญาสมมุติคนยือนๆๆๆอยู่นิ่งๆอยู่มองไปดไูก็รู้ว่าคนยืนๆๆนิ่งเนี่ยถ้าสัา์ไม่เห็นนะถ้าคนไม่กระดุกระดิกไม่เห็นไม่รู้เพราะไม่มีปัญญานะครับเราก็ไปพักอีกทีนึงถอดจะไปก็ท่านีให้ปัญหาทังสี่ข้อผมไม่ลืมนะเพราะ พอตามสมารมขึ้นคุณษาท่านผมไม่ค่อยครองผ้าล่ะเพราะไม่มีผู้มีคนก็มีแต่ผ้าจะเนินในวัดไม่มีใครไปยุ่งควนสงบสงัดตอนเชา้าจะไปหาท่านตอนจันทรคันสุดแล้วก็ขึ้นไปมีแต่ผ้าสงสารเพราะท่านก็เงีอยู่แล้วท่านท่านไม่ถืออะไรไมันมีแต่พกกันเองแต่วันนั้นผมคลองผ้าไปเสร็จไปนั้น ขึ้นไปท่านฮะจะไปที่ไหนเนี่ยวางกันนะเ้าไปเถอยู่ว่างเลนไปกาล้วุดนั่นท่คุยไปเรื่องอื่นเรื่องนั้นท่านไม่หรอกพอรบถึงว่าเราจะไปไหนมาไหเลยอ่ะพูดปปเนี่ยวางกันไปเล ย, ย, เลยแล้วเดี๋ยวท่านก็ว ก, กมาท่านเองถ้าอยู่ก็ได้กําลังไปก็ได้กําลังอยู่ก็ดี ถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไปได้กาลังไปก็ดีแล้วก็ไมันด้งสี่ขอนะมันเทียบกันอย่างนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะมีทางนี้ ดึงดงไปอยู่ก็ได้กำลังไ ป, ไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ onna, ดีแล้วก็อะไรท่านพูดจบลองเลี้ยวเปล่าเราก็ท่านเปิดโอกาสนั้นนั้นนะทล้วท่านม่ท่านพูดเรื่องไปเรื่อยเป็นนาน เาถ้อนเปิดโอกาสให้อย่างนี้อ่เปิดโกากนานมัเปิดเราก็กล่าวเยนถามทุกเรื่องกานงานภายในวัดจะมีอะไรที่กจะทำแล้วผมจะช่วยหูเพืันทำทั้งเรื่เรื่องร้อยตัวอย่างหากว่ามมีอะไรก็ที่อยากจะกล่าเนอกจากการศรึกษาครูพ่อแม่ัวจาคนครอบครัวนาตั้ทตัวระยะวางกันต่ จะไปทางไหนล่ะทา ง, งนี้คิดว่าจะไปไกลหน่อยว่าันคือามาวามนาววกมึกาไปไกลไปประมาณทักยี่สิบสามสิบกิโลเท่านั้นสี่สิห้ากิโลครนี้เรจะไปไกลหน่อยไปทางอาเภอวัดเจริภูมิตัวหน่อยดีนต้องกว่าดีเป็นหมดสถานดีมีแต่ป่าจต่เขาทั้งนั้นแหละลาบางแล้วจะไปยองอ่ะ ผมเพ่งจะไปองเดียวเออดีแล้วไปองเดียวนี่หนาเรไปขี้ไปแล้วนะใครจะไปยุ่งนั่นนะทรรหาไปอง์เดียววานี่กับเวลาจะไปก็จําได้ใ่ไเดือนสามขึ้นสามค่ำผมไม่ลืมนะน่ะก่อนจะไปก็คราวนี้ก็กับผมไปคราวนี้ก็คงจะไม่ได้คงจะไม่ได้กลับมาร่วมทํามาค้าบูชาคราวนี้ เอากระวายเนี่ยนกะ็พุ่ไปแล้วก็วันจันทรกลับมาเมืไงไง่อยๆทีนมันไกลเดินในเท้าดังนั้นนะเออบูชาคนเดียวนะมาคาบูชาคนเดียวห น, นี่ น, ะนะนงเนี่ย็นหลางที่คนตรงนี้นะออพุทธบูชาธัมมังชารสังฆบูชายนี่เป็นมาาบูชาทั้งนั้นแหละเ น, ะนางนนเอาตรงนี้นะว่ากายอย่างนี้มา้ึล้ก็ไปแนละ้ว พอถึงวันมาข้าบูชาสายสายหน่อยประมาณสับเอ็ดโมงถามพระแล้วเนา่ยจมรมาเละมาเนะเห็นจมาไหมไม่เห็นอนี่ยยังไงกันนะพอบ่ายสองโมงอามโมงเข้าอีกถามอีกเี่มีังไรจมไปนบ้าน เหมือนกับว่าท่านมีความหมายของท่านอยู่นั้นนะท่านเหมือนกับว่าจะเต้นให้เต็มที่เพราะท่านป่วยท่านท่านจะป่วยแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้ป่วยนี่นะแต่ท่านช้ามท่านไว้แล้วน่ะเรื่องแบบนี้น่ะตอนที่เราจ่ลาท่านไปท่านก็ดีๆอยู่นี่เ่องก็ท่านพอถึงเวลาท่านลงมาตลาดหันหน้าปุ๊บนะ ถามหาว่ามาเหยววางห่นไม่เห็นนักใครก็าว่าเหนเออมันยังไงนะไปวางนึ่งนะ้าหาไม่มีเนะวางแป๊บแปกทังี่จะตกลงกะว่าเนาะท่านมีอะไรท่านอันนึงของท่านนะแล้วกรทักระแทกตั้งแต่น้นเลยจงกระทั่งถึงหกท่อม ว่าหลัวมาข้าวมูทานี่โอ้ยเอาอย่างหนักเลยนะสี่ชั่วโมงตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มแต่งเทศหลวงแล้วเสนา้รรมามันมาฟังด้วยนะว่าอีกนะทก็เหมือนงว่าเทศสุดทางสุดท้ายจากนั้นมนาะถ้าไม่ได้เทศอีกเลยนะว่าเดินเดินสี่รมข้าหนึ่งผมก็มาถึงนั่นผมไปเดอนสามขึ้น สามข้ามเดือนสีขึ้นสามข้าก็เป็นหนึ่งเดือนพอดีเดือนสี่รมหนึ่งข้ามผมกลับมาผมจําได้แต่ข้ามขึ้นข้างแดามจามันที่ไม่ได้เพราะเหตุที่ผมนี่จาได้ก็เพอพ่อผมไปขึ้นไปกราบท่านตอนบ่ายเพรา่อนั้นออกจากที่แล้วผมไปขึ้นไปกราบมันยังไงท่นเฮื้อธรรมาหายนะ่ะเป็นวางแท้จะจนฟ้าดินถลม่มก็ไม่ว่าฟังกันบ่วไม่ว่าฟังว่างี่นาะ นี่เรารนเ่กย้อนพิจารณาอ๋อที่ถ้าทานเล่าให้ฟังนั่นเป็นพอนอย่างนี้เองนะแท่จะจนฟ้าดินถลม่มนี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะว่าเริ่มป่วยมาตั้งวันศุนย์นานเปนว่า